ตอนเทศนาของสมเด็จพระพุท ธ, ธาจาย์โตแสดงเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2514ทุกครั้งที่อาตมาภาพจะเทศน์นั้น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 คกวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัเมื่อวันที่สิบสี่กันยายนนั้นอาตมาภาพได้พูดไว้ว่าคนเราเมื่อเห็นเมื่อได้ยินเมื่อได้สัมผัสเมื่อได้รู้ทุกคนคิดไม่เหมือนกันทั้งๆที่ได้พบเห็นสิ่งเดียวกันนี่คือข้อพิสูจน์อย่างแจ่มแจ้งว่า